ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตะปัปปะปุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันนาพระอมาราพิรคิตะอมรดเกิดวัดบรมนิวาโรชนาต่อไปจะเป็นเรื่องของการอธิษฐานและวิกัปปบาทจะกล่าวในอธิษฐานและวิกัปปบาทบาทเหล็กบาทดิน ประกอบด้วยประมาณจึงควรอธิษฐานและวิกับประมาณแห่งบาสนั้นมีสามก็คืออุ ก, กัตโถบาศขนาดใหญ่อย่างหนึง่งมัชชิมโมบาศขนาดกลางอย่างหนึง่งโอมะโกบาศขนาดเล็กอย่างหนึง่งบาศขนาดใหญ่นั้นจุเข้าสุกแห่งข้าวสารกึ่งอาระหะกะคือข้าวสารสองฉนานมคตในอันทะกัตติกถา กล่าวว่าชื่อว่าทนานมาคกตนั้นสิบสองปาร ะ, ะครึ่งในมหาอัจฉริยะกล่าวว่าปกตินารีทนานโดยปกติในสีห์นทวีปก็ใหญ่ไปทมินนารีคือทนานทมินก็เล็กไปมคกตนารีทนานมาคกดจึงประกอบด้วยประมาณทนานครึ่งแห่งทนานมาคกดนั้นเป็นทนานในสีห์หนอันหนึ่ง เพราะนั้นธนานของสีหนกใหญ่กว่าธนานมาคตก็ตแลวิธีซึ่งจะคิดประละและประมาณมาคตนาวีตามดีกาและคมภีอันเศษจักไว้กล่าวในที่สุดแห่งวันน า, นาทั้งปวงประมาณบาทขนาดใหญ่ให้เอาข้าวสาลีที่ไม่หักที่เก่าแรงตีเขาซ้อมแล้วบริจุทธ์ด้วยดีตวงให้ได้สองธนานมาคตดังว่าแล้วนั้นหุงยารินนัด อ, ออกเสีย อย่าให้เป็นท้องเลนอย่าให้เปียกอย่าให้เป็นก้อนให้สลับสลวยจากกันดังดอกคล้าตูมหรือว่าดอกมะเรตูมแล้วก็จุลงในบาทให้หมดเอาแกงถั่วซึ่งปรุงด้วยเครื่องทั้งปวงไม่แค่นักไม่เหลวนักพอมือหยิบได้เท่าส่วนที่สี่แห่งข้าวสุกนั้นจุลงด้วยแล้วเอากับข้าวเป็นต้นว่าปลาและเนื้อสมควรแจกคาข้าว จนพอทำข้าวเป็นอย่างยิ่งคือเท่าส่วนที่สี่แห่งข้าวสุกจุลงด้วยแต่เนยใสยและน้ํามันและเปลียงอ้ําแกงและน้ําส้มเป็นต้นจะนับด้วยไม่ได้ด้วยว่าของเหล่านั้นเป็นสติแห่งข้าวสุกไม่อาจให้ข้าวสุกเพิ่มหรือว่าลดลงได้ของทั้งปูนั้นจุลงแล้วเช่นนั้นถ้าพอเสมอเหลี่ยมคอปากบาดข้างล่างเอาได้หรือว่าเสี้ยนตามปากไป ผสนข้างล่างได้หรือว่าเส้นตาลถูกของในบาดไซสบาดเช่นนี้ชื่อว่าเป็นบาดขนาดใหญ่ถ้าของในบาดนั้นพูนเกินเหลี่ยมปากบาดขึ้นมาไซสบาดเช่นนี้ชื่อว่าบาดขนาดใหญ่อย่างเล็กถ้าของในบาดไม่ถึงเหลี่ยมคอปากบาดค่องอยู่ในบาดแล้วไซสบาดเช่นนี้ชื่อว่าบาดขนาดใหญ่อย่างใหญ่นี่ก็เป็นบาดขนาดใหญ่แต่ว่ามีสามอย่างสามขนาด ใหญ่อย่างใหญ่ใหญ่อย่างกลางแล้วก็ใหญ่อย่างเล็กบาตขนาดกลางนั้นให้เอาข้าวสารธนานมคตหนึ่งธนานมคตเดียวหูงขึ้นดังก่อนแล้วก็จุลงเอาแกงถั่วเท่าส่วนที่สี่แห่งข้าวสุกและกับข้าวมีปลาเนื้อเป็นต้นก็เท่าส่วนที่สี่แห่งข้าวสุกของเหล่านี้จุลงในบาตทั้งหมดถ้าเสมอขอบเหลี่ยมปากบาตข้างล่างดังกล่าวในก่อน บาดเช่นนี้ก็ชื่อว่าบาดขนาดกลางถ้าของนั้นล้นปากบาดขึ้นมาไซบาดเช่นนี้ชื่อว่าบาดขนาดกลางอย่างเล็กถ้าของนั้นไม่ถึงเหลี่ยมขอปากบาดพร่องลงไปอยู่ในบาดเล่าไ้บาดเช่นนี้ชื่อว่าบาดขนาดกลางอย่างใหญ่เสริมบาดขนาดเล็กนั้นให้เอาข้าวสารกึ่งธนานมาคดหงขึ้นดังก่อนแล้วก็จุลงในบาดเอาแกงถั่วเต้าส่วนที่สี่แห่งกรสุก และกับข้าวมีปลาและเนื้อเป็นต้นเท่าส่วนที่สี่แห่งข้าวสุกของทั้งปวงจุลงหมดแล้วถ้าเสมอคอปากบาดข้างล่างดังก่อนบาดเช่นนี้ก็ชื่อว่าบาดขนาดเล็กถ้าของนั้นพูนปากบาดขึ้นมาไซบาดเช่นนี้ก็ชื่อว่าบาดขนาดเล็กอย่างเล็กถ้าของนั้นไม่ถึงเหลี่ยมคอปากบาดพร่องอยู่ไปในบาดเล่าไซบาดเช่นนี้ก็ชื่อว่าบาดขนาดเล็กอย่างใหญ่ ก็เลยเป็นบาตรเก้าใบด้วยดันดังนี้แต่ว่าบาตรขนาดใหญ่อย่างใหญ่กับบาตรขนาดเล็กอย่างเล็กสองอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นบาตรพึงอธิษฐานเป็นภาชนะใช้ไปไม่ควรอธิษฐานเป็นบาตรไม่ควรวิ ก, กัพแต่บาตรเจ็ดใบนอกนั้นพึงอธิษฐานหรือวิกัพเสียแต่ภายในสิบวันบริโภคเถิดเมื่อไว้ให้เกินสิบวันไปบาตรนั้นเป็นนิสคี ต้องปาจิตตีด้วยปะตะัตติคาบททรงอจเรกบาทไไปได้ไม่เกินสิบวันบาท7เจ็ดขนาดทนั้นใหญ่อย่างใหญ่กับเล็กอย่างเล็กอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นบาทบาทแม้ประกอบด้วยประมาณพึงรู้ว่าจะควรอธิษฐานและวิกับดังนี้อีกบาทเล็กระบมแล้วห้าบบาทดินระบมแล้วสองจึงควร เพื่อในเพื่อป้องกันสนิมแล้วก็เพื่อจะให้แกลง้งอธิษฐานบาตรทั้งสองนั้นแม้มูลค่าอันใดอันหนึ่งถึงให้มูลค่านั้นให้แล้วแท้หมายถึงว่าไม่มีความผูกพันเรื่องของค่าบาตรแล้วเขาจับถวายไม่มีติดนี้ติดนอะไรในเรื่องของบาตรแล้วถ้าระบมยังอ่อนอยู่แม้สัตไฟหนึ่งหรือว่ามูลค่าแม้สักกาการะนิดหนึ่งยังไม่ได้ให้ก็ยังไม่ควรอธิษฐาน ถ้าเจ้าของบาปเขากล่าวว่าเมื่อใดมูลค่าของท่านมีท่านประจักษ์ให้เหมื่อนั้นท่านจงอธิษฐานบริโภคไปเถิดแม้ดังนี้ก็ยังไม่ควรอธิษฐานแท้ด้วยยังนับว่าเป็นบาทไม่ได้เพราะระบมยังอ่อนอยู่และยังไม่เป็นของของตัวยังเป็นของผู้อื่นอยู่เพราะมูลค่าทั้งสิน้นหรือแต่ส่วนหนึ่งยังไม่ได้ให้เพราะเหตุนั้นเมื่อระบมแล้วหรือมีมูลค่าให้แล้วหมด จึงควรอธิษฐานบาตรใดควรอธิษฐานบาตรนั้นเองควรวิกัพ บ, บาตรนั้นจะมาถึงมือแล้วหรือว่ายังไม่มาถึงก็ตามพึ่ง อ, อธิษฐานหรือว่าวิกัพแต่เสียในสิบวันด้วยว่าช่างบาตรเขาได้ข่าจ้างแล้วหรือเขาอยากจะทําถวายเองเขาบอกว่าข้าพเจ้าจะทําบาตรแล้วระบมในวันชื่อโนูน้นตั้งไว้ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ช่างบาทเขากาหนดไว้พิจุให้ล่วงสิกวันไปบาทนั้นเป็นนิสกิยาต้องปาจิตตีถ้าแลช่างบาทเขากล่าวว่าขับเจ้าจะทำบาทแล้วระบมส่งข่าวสารไปแก่ท่านดังนี้แล้วเขาทำอย่างนั้นเล่าใสแต่พิจุที่ช่างบาทตั้งมาไม่บอกแก่พิจุผู้เจ้าของนั้นผู้อื่นได้เห็นหรือว่าได้ยินมาบอกว่าบาดของท่านสาเร็จแล้วดังนี้คาแห่งผู้อื่นนั้นไม่เป็นประมาน ต่อเมื่อใดเธอคือพิกษุที่ช่างบาดสั่งมาให้บอกได้บอกแก่เจ้าของบาดแล้วตั้งแต่วันได้ยินคําแห่งพิสุที่มาบอกนั้นไปเมื่อให้ร่วงสิบวันไปก็เป็นนยศทียปจิตีถ้าช่างบาดเขาว่าข้าพเจ้าจะ ท, ทําบาดระบมส่งไปในมือผู้หนึ่งแก่ท่านดังนี้แล้วเขาทําดังนั้นแต่พิกษุผู้รับบาดมาเอาไว้เสียที่บริเวณของตนหาบอกแก่เจ้าของไม่ ผู้อื่นถามว่าบาทของท่านได้มาใหม่ดีอยู่หรือเธอนั้นถามว่าบาทที่ไหนเล่าผู้อื่นบอกว่าเขาฝากมาในมือของพิถุชื่อนี้แม้คำแห่งผู้อื่นนั้นก็ไม่เป็นประมาณต่อเมื่อใดพิจุผู้รับมาเอาบาทมาให้ตั้งแต่วันได้แล้วไปเมื่อให้ล่วงสิบวันไปเป็นอิติกิยาปจิตตีเพราะเหตุนั้นอย่าให้ล่วงสิบวันพึงอธิษฐานหรือว่าวิกัปเสีย ในบาตรที่ช่างบาตรรับทำถวายนี้ฉันใดแม้ในผ้าที่ช่างหูกทอหรือช่างหูทอถวายเองก็เหมือนกันฉันนั้นเพราะเหตุ น, นั้นผ้านั้นก็อย่าให้ร่วงสิบวันไปพึงอธิษฐานหรือว่าวิกับเสียการอธิษฐานบาตรนั้นก็มีสองอย่างก็คือด้วยกายกับด้วยวาจาเมื่อจะอธิษฐานด้วยวิธีทั้งสองบาตรเก่ามีอยู่เฉพาะหน้าพึงปัดจุดทอนเสียว่า อิมังปัตตังปัจจุธรามิขับเจ้าถอนบาดผืนนี้ดังนี้อยู่ในที่รับหลังนอกขัตบาทก็พึงปัจจุทอนว่าเอตังปัตตังปัจจุธรามิดังนี้ขับเจ้าถอนบาดนั้นบาดใบนั้นหรือให้บาดนั้นเสียแก่ผู้อื่นแล้วถ้าให้ก็ชื่อว่าขาดไปฐานนั้นเหมือนกันเอามือถูกบาดใหม่ ซึ่งวางไว้แห่งไดแห่งหนึ่งแล้วทําความผูกใจว่าอิมังปัตตังอธิษฐานิขมือรูปคําที่บาสนั้นทํากายยวิการคือรูปไปด้วยนี้เรียกว่าอธิษฐานด้กายหรือว่าเปล่งวาจาออกให้ดังว่าอิมังปัตังอธิษฐานิดังนี้ชื่อวอธิษฐานด้วยวาจาซึ่งมีสองอย่างก็คืออยู่ในหัตถบาตกับนอกหัตถบาสถ้าอยู่ในหัตถบาสเพิงเปล่งวาจาว่าอิมังปตตังอธิษฐานิ ถ้าอยู่ในภายในห้องหรือว่าบนประสาทหรือว่าอยู่ในวิหารไกลเล่าไซส์ก็พึงกําหนดที่ตั้งแล้วเปล่งวาจาว่าเอตังปตั ง, ตงอธิษฐานิครับเจ้าขออธิษฐานบาตใบนั่นอยู่ที่นู่นเมื่อจะอธิษฐานแม้จะอธิษฐานคนเดียวก็ควรแม้จะอธิษฐานในสํานักผู้อื่นก็ควรแต่อธิษฐานในสํานักผู้อื่นมีอันิสงค์ดังนี้คือถ้าสงสัยว่าอธิษฐานแล้วหรือ ยังไม่ได้อธิษฐานความสงสัยเกิดขึ้นแต่เธอเล่าใส่ผู้อื่นจะช่วยให้อาตดาดึกตัดความสงสัยให้ได้ดังนั้นกนารอธิษฐานในตํานักผู้อื่นก็ดีเพื่อลืมเขาจะมีคนช่วยเตือนถ้าพิกจุผู้หนึ่งได้บาทมาสิบใบเธออยากจะบริโภคให้หมดทั้งสิบใบเล่าไปอย่าพึ่งอธิษฐานให้หมดทั้งสิบใบพึ่งอธิษฐานขึ้นใบหนึ่งและรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็พึ่งปัจจุดทอนใบนั้นเสีย แล้วก็อธิษฐานใบอื่นอีกโดยอุบายอันนั้นอาจจะบริหารรักษาได้แม้ติ้นร้อยปีเลยทีเดียวแต่ว่าใครจะมาอธิษฐานแล้วก็มาถอนทุกวันทุกวันทุกวันใครจะทําก็แล้วแต่อนุเคราะห์คนที่อาบาตรมาถวายใช้ให้ได้ติดใบเลยเพื่อเขาจะได้บุญมากก็เลยอธิษฐานถอนทุกวันทุกวันอย่างนี้บริหารได้ถึงร้อยปีก็ได้เหกันไม่ผิดพระวินยัยแต่ก็ดูความเหมาะสมก็แล้วกัน อธิษฐานกถาจบเรื่องกันอธิษฐานบาทต่อไปจะเป็นวิกัป บ, บาทจะ ก, กล่าวในวิกัปกล่าวใวิกัปต่อหน้าและรับหลังทั้งสองก็เหมือนกับวิกัปชีวรนั่นแหละจะ ก, กล่าวแต่คําวิกัปในวิกัปต่อหน้าที่ต้นอยู่ใกล้บาทใบเดียวว่าอิมังปัตตังหลายใบยก็ว่าอิเมปเตอยู่ไกลใบเดีย ว, วยยก็ว่าเอตังปตตังถ้าหลายใบก็เอเตปเต แล้วลงปลายว่าตุยหังวิกัปเปมิทุกทีวิกัปต่อหน้าในที่ 2, สองศาธมิกทั้งห้าชื่อใดให้กล่าวชื่อนั้นดังที่ตุชื่อว่าติสตะก็วิกัปว่าอิมังปตังติสตะพิคุโนวิกัปเปมิถ้วิกัปรับหลังก็ว่าอิมางปตังตุยหังวิกัปปนัฐายะดัามิผู้ช่วยรับวิกัปเจ้าของบาตรก็บอกชื่อสาธมิกเป็นต้นว่าชื่อว่าติสตะให้กล่าวว่า อาหางติดศั ต, ตรูตรพิคุโนดามิวิกับแล้วจะเก็บไว้ควรอยู่จะบริโภคเป็นต้นไม่ควรปัจจุดทรแล้วดังกล่าวในปัจจุดทรนท่าจึงควรบริโภคเป็นต้นได้อยู่ใกล้อยู่ไกลใบเดียวหลายใบและชื่อแห่งสัพมิกก็ให้รู้จักเปลี่ยนดังกล่าวแล้วในจีวันนั้นเถิดวิกัปะปะณะกถาจบ คำว่าอิมังพิธุกับปังกโรมิแปลว่าเราทําวงกลมอันนี้เราทําวงกลมอันควรนี้คําว่าอิมังจีวรังปัจจุทธรามิเรากลับถอนผ้าอิมังปัตตังปัจจุธรามิเรากลับถอนบาทนี้อิมังสังคาติงอธิษฐามิเราตั้งไว้เฉพาะทึ้งผ้าสังคาติอิมังปัตตังอธิษฐามิเราตั้งไว้เฉพาะซึ่งบาทนี้ อิมังชิวรางบริขารโชดังอธิษานี้แปลว่าเราตั้งไว้เฉพาะขึ้นผ้านี้เป็นท่อนภาพเป็นบริขารอิมังชิวรางตุยหังวิกับเปมิก็แปล ว, ว่ า, าพระเจ้ากําหนดวิเศษไว้ซึ่งผ้านี้แก่ท่านแปล ว, ว่ากําหนดวิเศษคือกับเนี่ย ว, ว่าแป็วิกับของตัวน่ะอิมังปัตตังติกัสสะพิคุโนวิกับเปมิกแปล ว, ว่า เรากําหนดวิเศษไว้ตึงตาดนี้แก่ติตตาพิชุอิมังคีวรังตุยหังวิกัปปนัตถายะดำมิเราให้ตึงผ้านี้แกท่านเพื่อกําหนดวิเศษไว้อิมังปัตตังตุยหังวิกัปปนัตฐายะดำมิเราให้ตึงบาทนี้แกท่านเพื่อกําหนดวิเศษไว้ให้ท่านเพื่อวิกัปให้หน่อยอหังติตตาพิคุโนดำมิแปลว่าเราให้แก่ติตตาพิชุ ไม่หังสันตราการปริปุนชะวาวิตัตเชหิวายถ า, าปเจยังวาการโหหิท่านจงบริโภคหรือว่าจงเสียสละหรือว่าจงทำตามเหตุทาตามเหตุติดสัตตพิคุโน่ก็หมายถึงซึ่งของติดสัตตพิสุอันหนึ่งในคำนี้ควรประกอบชื่อผ้าชื่อบาเข้าด้วยว่า อิมังจีวรังไมหังสันตังปริพุนชาวาวิสัชเชหิวายถาปัจจยังวาคารโอหีหรือว่าอิมังปัตตังติดสัตสังพิคุโนสันตังปริพุนชาวาวิสัชเชหวายถาปฏิยังวาคารโอหีดังนี้ก็จะดีดถ้าถ้าหลายผืนหรือว่าบาดหลายใบยก็ให้ว่าอิมานิจิวรานิหรือว่าอิเมปเตตไมหังสันตการิ ถ้าเป็นของจีวรถ้าสันตเกก็ของบาปผู้ถอนวิกับอ่อนกว่าเจ้าของก็ให้ว่าด้วยผู้หัวชนะว่าปริพุนชะทะว่าวิสัชเชทะวายถาปัจยังวากโรทะอนหนึงจะกล่าวแต่บทเดียวว่าปริพุนชะหรือว่าปริพุนชะทะหรือว่าวิสัชเชหีวิสัชเชทะหรือยถาปัจยังกโรหียถาปัจยังกโรทะบทใดบทหนึ่งก็ได้ อันหนึ่งท้าแลบาจะวิกัปแก่ผู้ใดในสหธรรมิททั้งห้าผู้นั้นเป็นคนวิสาสะสนิทคือคุ้นเคยกันควรถือเอาด้วยวิสาสะในที่ต่อหน้ารับหลังก็ได้จึงจะชอบสามารถที่จะวิสาสะก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ถอนให้ก็สามารถวิสาสะได้เป็นเพื่อนสนกันปัญจบังพินทวาทิฐานาติปปัง จบข้อที่ห้าว่าดนเรื่องการอธิฐานและก็เรื่องพินทุต่างๆต่อไปจะเป็นลำดับที่หกจะกล่าวในข้อที่หกชื่อว่าวิชหานาดิปตพะก็ว่าด้วยวิธีมีขาดอธิษฐานเป็นต้นถ้าที่พิกตุอธิษฐานโดยชื่อดังกล่าวแล้วและบริโภคอยู่จะมละอธิษฐานไปก็คือขาดอธิษฐานด้วยเหตุเก้าอย่างด้วยกันก็คือ อัญญสะดาเนนะให้แก่ผู้อื่นเสียอย่างหนึ่งอย่างที่สองอัคขินยิตวาขะเนนะโจรแย่งชิงเอาไปเสียอย่างที่สามวิสาสะทาเหเนนะเพื่อนรักถือเอาเสียด้วยวิสาสะอย่างที่สี่ฮินายาวัตตะเนนะหมุนไปเพื่อเป็นคนเลวข้อที่ห้าสิกขาปัจจคขาเนนะลาสิกขาเสียข้อที่หกกาลกิริยายะ ถึงแก่อันิจกรรมก็คือตายอย่างที่เจ็ดลิงคะปริวัตนีนะเพศกลับเสียบุรุษกลับเป็นสตรีหรือว่าสตรีกลับเป็นบุรุษเสียอย่างที่แปดปัจจุทระเนนะปัจจุทอนก็คือถอนอดีตถอนเสียแล้วก็อย่างที่เก้าฉินนะทาเวนะเป็นช่องทะลุเป็นเก้าอย่างในดีกาวิมติวิโนโนทนีกล่าวว่าข้อทึงว่าหมุนไปเพื่อเป็นคนเลวนั้นประสงค์ว่า ต้องปาราชิกแล้วยังตั้งอยู่ในพิกษุปฏิญาแล้วไปถือเพศขรหัตก็ดีไปถือรทธิเดระถีและถือเพศแห่งเดระถีก็ดีและนางพิกษุณีสิ้นความเหยวแลในความเป็นพิกษุณีไปถือเพศครหัตก็ดีชื่อว่าหมุนไปเพื่อเป็นคนเลวบางอาจารย์กล่าวว่าประสงค์เอาไม่ลาสิกขาแล้วก็ไปเป็นครหัตชื่อว่าหมุนไปเพื่อเป็นคนเลว ท่านคานว่าธรรมอาจารย์นั้นไม่ชอบเพราะว่าแม้ถึงไปเป็นพระถาเช่นนั้นผู้นั้นยังเป็นอุปสมบัติอยู่ผ้านั้นยังไม่มละซึ่งความเป็นของผู้นั้นก็แล้วผ้าทั้งปวงย่อ ม, มละอธิษฐานด้วยเหตุแปดอย่างข้างต้นแต่มละอธิษฐานด้วยเป็นช่องทะลุนั้นในอตัตถิฐาทั้งปวงท่านว่าแต่ตรายจีวร อ, อย่างเดียวเฉพาะตรจีวรเทานั้นนะที่อยู่ท่องช่องทะลุจึงขานอธิษฐานผ้าอื่นไม่เป็น ก็แลช่องทะลุนั้นประมาณเท่าหลังเล็บ ก, ก้อยเท่าหลังเล็บนิ้วก้อยช่องนั้นทะลุไปกี่เดียวจึงขาดอดิฐานด้วยว่าในระหว่างช่องนั้นถ้าแม้ใหญ่เส้นได้อันหนึ่งยังไม่ขาดไซก็ยังรักษาอยู่ก่อนผ้าสังคติและอุตตราสง์ด้านยาวแต่ที่สุดผ้าเข้าไปประมาณคืบหนึ่งด้านกว้างแต่ที่สุดผ้าเข้าไปประมาณแปดนิ้วเป็นช่องทะลุในประมาณนั้นเข้าไปจึงทําลายอธิฐาน แต่ถ้าเป็นผ้าอุตรประสงค์คือผ้าสบงเนี่ยด้านยาวแต่ที่สุดเข้าไปประมาณคืบหนึ่งด้านกว้างแต่ที่สุดผ้าเข้าไปประมาณสี่นิ้วเป็นช่องทะลุในนั้นเข้าไปจึงทําลายอธิษฐานนอกนั้นออกมาในที่กําหนดไม่ทําลายอธิฐานเพราะเหตุ น, นั้นเมื่อช่องทะลุเกิดขึ้นผ้านั้นย่อมตั้งอยู่ในที่เป็นอัจเจตกีวรก็มีเวลาสิบวนันเท่นั้นถ้เกินไปก็ต้องบาดนิสกียาปจิตี พึ่งทำสูนจิกรรมปักชุนเสียก็คือเย็ดแล้วก็ปักชุนแล้วอธิษฐานขึ้นใหม่เถิดก็แลที่สุดใดในผ้าเก่าข่ำคร่าเอาผ้าปักเข้าก่อนแล้วจึงตัดผ้าเก่าออกเสียในภายหลังผ้านั้นไม่ทำลายอธิษฐานแม้ในเปลี่ยนผ้ามนทลก็เหมือนกันอย่างนั้นผ้าสองชั้นทะลุชั้นหนึ่งหรือว่าเคลื่อนชั้นหนึ่งก็ไม่ทำลายอธิษฐาน ทำผ้าเล็กเป็นผ้าใหญ่หรือว่าทำผ้าใหญ่ให้เป็นผ้าเล็กก็ยังไม่ทำลายอธิษฐานเมื่อจับเผชิญผ้าชายติดกันเพือผ้ามาดามติดกันถ้าตัดตอนจึงเผชิญต่อเข้าภายหลังไซซย่อมทำลายอธิษฐานถ้าตัดตอนแต่ถ้าเผชิญก็คือต่อกันเสียก่อนแล้วจึงตัดต่อภายหลังเราไซซไม่ทำลายอธิษฐานแม้ให้ช่างฟอกขาวฟอกให้ขาวออกอธิษฐานก็คงเป็นอธิษฐานอยู่นั่นเอง แม้บาต ท, ที่อธิษฐานไว้แล้วก็ละอธิษฐานด้วยเหตุก้าวอย่างเหมือนกันเหมือนกับผานแต่ช่องทรุนั้นใหญ่มเมล็ดข้าวฟ่างลอดเข้าออกได้จึงจักทำลายอธิษฐานด้วยว่าในธรรมชาติเจ็ดชนิดนั้นอะ่ะเมล็ดข้าวฟ่างนี้แหลเป็นอย่างต่าที่สุดในช่องทะรุนั้นเมื่ออุดด้วยจุนหรือว่าหมุดแล้วพึงอธิษฐานเสียอีกในภายในสิวันเถิดปล่อยให้สิบปันล่วงเกินไปก็อบัต ในสักยปยติในปัตตสิกขาบทวิชาหานกถาจบต่อไปจะว่าด้วยเรื่องของการใหและการถือเอาอย่างไรจึงเป็นอันให้อย่างไรจึงเป็นอันถือเอากล่าวว่าเราให้สิ่งนี้แก่ท่านหรือเรามอบให้หรือเราบริจาคเราสละสิ่งนี้แก่ท่านในที่ต่อหน้า และกล่าวว่าเราให้หรือว่าเรามอบให้หรือว่าเราบริจาคเราสลักสิ่งนี้แก่คนเชื่อนี้ในที่รับหลังดังนี้เป็นอันให้แท้ <c oughs> ผู้ให้กล่าวว่าท่านจงถือเอาเพื่อท่าน <c oughs> ผู้รับกล่าวว่าข้าพเจ้าถือเอาเพื่อกับเจ้าดังนี้ <c oughs> เป็นอันให้ด้วยดีและถือเอาด้วยดีก็ <c oughs> <ง>ถ <adelante> ือว่าเป็นการสลับเสร็จแล้วจะมาถือเอาคืนไม่ได้ <c oughs> ผู้ให้กล่าว ว, ว่าท่านจงทาให้เป็นของของท่านเถิด หรือกล่าวว่าจงเป็นของของท่านเถิดหรือกล่าวว่าท่านจัดทําให้เป็นของของท่านผู้รับรับว่าข้าพเจ้าทําให้เป็นของของข้าพเจ้าหรือกล่าวว่าจงเป็นของของข้าพเจ้าหรือกล่าวว่าข้าพเจ้าจัดทาให้เป็นของของข้าพเจ้าดังนี้ชื่อว่าให้ไม่ดีชื่อว่าถือเอาไม่ดีด้วยยังไม่เป็นตามสละสิทธิ์ยังมีสิทธิอย okay. ู่ผู้ให้ไม่รู้จักจะให้ผู้รับก็ไม่รู้จักจะรับ แต่ถ้าผู้ให้กล่าวว่าท่านจงทําเป็นของของท่านเถิดผู้รับรับว่าดีแล้วข้าพเจ้าถือเอาเพื่อข้าพเจ้าดังนี้ชื่อว่าให้ไม่ดีแต่ว่าถือเอาดีแล้วถ้าเธอผู้หนึ่งกล่าวว่าท่านจงถือเอาเถิดผู้หนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ถือเอาผู้ให้กลับกล่าวอีกว่าเราให้แล้วท่านจงถือเอาเพื่อเป็นของท่านแม้ผู้รับก็กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการด้่ของนี้ แม้เธอผู้ให้ก่อนก็สําคัญว่าเราให้แล้วและในผ้าอาเจเดกจีวร น, นั้นก็ให้ร่วงสิบวันไปแม้ผู้รับก็สําคัญว่าเราห้ามเขาแล้วดังนี้ไม่เป็นอบัตแก่ผู้ใดผู้หนึ่งด้วยว่าผู้ใดชอบใจผู้นั้นก็จะพึงอธิษฐานขึ้นบริโภคในอัตถกถาแห่งจีวราฉินตนะสิกขาบทกล่าวว่าให้ผ้าแต่พิจุด้วยคําว่าเราให้แก่ท่าน ซึ่งถืออุปชาในสำนักเราเราไม่ให้แก่ท่านซึ่งถืออุปชาในที่อื่นเราให้แก่ผู้ทำวัดในสำนักเราอย่างเดียวเราไม่ให้แก่ผู้ไม่ทำวัดในสำนักเราเราให้แก่ผู้เรียนธรรมในสำนักเราอย่างเดียวเราไม่ให้แก่ผู้ไม่เรียนธรรมในสำนักเราเราให้แก่ผู้ไม่ลาสิกขาไม่ศึกอย่างเดียวเราไม่ให้แก่ผู้จะศึกให้ดังนี้ไม่ควรเมื่อให้ดังนี้ต่อบัรทุกกฎด้วย แต่จะให้คืนเอามาควรอยู่เพราะว่ายังมีสัญญาเป็นของตนอยู่เมื่อปรับชิงถือเอาของที่สระให้ขาดแล้วพระวินัยทรคตรปรับเธอตามราคาแห่งพันละก็คือถ้าเกิดให้ขาดแล้วนี่ไปชิงเอาคืนมาก็เป็นอบัติได้ปรับอ ბ ัติตามราคาของเลยข้อหนึ่งพระองค์ทรงอนุญาตให้ถือเอาด้วยวิสาสะแก่ทิสุพร้อมด้วยองค์ห้าก็คือ สารทิโถโจะโหติเป็นมิตรได้เห็นกันมาข้อหนึ่งสามพักโตจะโหติเป็นมิตรมั่นเป็นเพื่อนกินด้วยกันมาอย่างหนึ่งอารติโตจะได้พูดกันไว้ว่าของของเราท่านอยากได้สิ่งใดพึงถือเอาสิ่งนั้นเถิดอย่างหนึ่งชีวติจะยังเป็นอยู่ยังไม่ตายอย่างหนึ่งแล้วก็ชานาติจะรู้อยู่ว่าเราถือเอาแล้วเขาจะชอบใจหรือว่าเขาจะดีใจ ได้อารักขาว่าวิสาสะย่อมขึ้นด้วยองสามองสามเป็นสําคัญคือเพื่อนเห็นหรือว่าเพื่อนกินหรือว่าเพื่อนที่สั่งเอาไว้ว่าอยากได้สิ่งใดตะพึงถือเอาสิ่งนั้นสามอย่างเนี้องค์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้องค์ใดองค์หนึ่งก็จัดเป็นข้อหนึ่งกับยังเป็นอยู่ข้อหนึ่งแล้วก็ถือเอาเนี่ยเขาจะยินดีสามข้อเนี่ยเป็นสําคัญก็คือจะเป็นเพื่อนเห็นหรือว่าเพื่อนกินหรือว่าเพื่อนที่สั่งเอาไว้ว่าอยากได้สิ่งใดก็เอาไปข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ถือเอาเนี่ยเขาจะดีใจเพะนั้นข้อมีชีวิตอยู่กับการถือเอาแล้วก็จะดีใจเนี่ยสองข้อนีอน้สําคัญเป็นองสองแต่ว่าอีกองคหนึ่งก็เลือกเอาหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจับเพื่อนเห็นเพื่อนกินหรือว่าเพื่อนที่สั่งไว้ว่าอยากได้อะไรก็ให้เอาไปข้อหนึ่งอีกพระองค์ทรงอนุญาตให้ถือวิสาจะดังนี้ว่าพิกตุฟากชีวรไปในมือแห่งพิกตุสั่งว่าท่านจงให้ผ้านี้แก่พิกตุชื่อนี้ผู้รับ รับไปในกลางทางก็ถือเอาเสียด้วยวิสาสะแห่งผู้ฝากไปชื่อว่าถือเอาด้วยดีวิสาสะแก่คนฝากเพราะว่ายังไม่ถึงผู้รับต้องวิสาสะแก่คนฝากจนเป็นของคนปากอยู่เจ้าของฝากไปให้แก่ผู้ใดถือเอาด้วยวิสาสะแห่งผู้นั้นชื่อว่าถือเอาไม่ดีต้องถือวิสาสะแก่คนฝากถ้าได้ยินข่าวกลางทางว่าผู้ฝากไปนั้นถึงอนิจจกรรมเสียแล้ว และอธิษฐานเอาเป็นท่ามรดกแห่งผู้นั้นชื่อว่าอาธิษฐานเอาด้วยดีอธิษฐานเอาเป็นจีวรมตดกของผู้ฝากชื่วายฉันด้วยดีถ้าถือเอาด้วยวิสาสะแองผู้ที่เจ้าของฝากไปให้ชื่อว่าถือเอาไม่ดีไปถือวิสาสะ ก, กับคนที่รับไม่ได้ถ้าได้ยินว่าฝากไปถึงผู้ใดผู้นั้นถึงแก่ตามใจแล้ว และอธิษฐานเอาเป็นผ้ามรดกแห่งผู้นั้นชื่อว่าอธิษฐานเอาไม่ดีเพราะว่ายัางไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับผู้ที่จะเอาไปให้ถ้าถือเอาด้วยวิสัยจะแห่งผู้ฝากไปชื่อว่าถือเอาได้ดีถ้าได้ยินว่าถึงอนิจจกรรมเสียแล้วทั้งสองข้างและอธิษฐานเอาเป็นผ้ามรดกแห่งผู้ฝากไปนั้นชื่อว่าอธิษฐานเอาด้วยดีฝากไปเพื่อผู้ใดอธิษฐานเอาเป็นผ้ามรดกแห่งผู้นั้นชื่อว่าอธิษฐานเอาไม่ดี อันหนึ่งพิจุฝากผ้าไปในมือแห่งพิจุว่าเราให้ผ้านี้แก่พิจุชื่อนี <oa. S 1> ้ทีแรกนี but, ่พิจุฝากที isted, ่วัไปในมือแห่งพิจุบอกว่าตั่งว่าท่านจงให้ผ้านี้แก่พิจุชื่อนี้ตั้งว่าท่านจงให้ผ้านี้แก่พิจุชื่อนี้อันนี้อย่างอัหนึ่งยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฝั่งอยู่แต่ว่าอันหลังนี่บอกว่าเราให้ผ้าผืนนี้แก่พิจุชื่อนี้อันนี้ชื่อว่าให้ดีแล้วกลายเป็นของผู้รับไปแล้วล่ะ ของผู้ที่พิจาโณรูปนี้ให้นนะผู้รับรับไปในกลางทางถือเอาเสียด้วยวิสาระแองผู้ฝากชื่อว่าถือเอาไม่ดีแต่ว่าให้แล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับไปแล้วฝากไปเพื่อผู้ใดถือเอาด้วยวิสาระแองผู้นั้นชื่อว่าถือเอาด้วยดีถ้าได้ยินว่าผู้ฝากหรือว่าผู้จะได้ถึงแก่ครามเสียหรือถึงแก่ามทั้งสองข้ามปีถ้าถือเอาด้วยวิสาระ ของผู้จะได้หรืออธิษฐานเอาเป็นผ้ามารดกแห่งผู้จะได้ชื่อว่าถือเอาด้วยดีอธิษฐานเอาด้วยดีถ้าถือเอาด้วยวิสาสะของผู้ฝากหรืออธิษฐานเอาเป็นผ้ามารดกของผู้ฝากชื่อว่าถือเอาไม่ดีอธิษฐานเอาไม่ดีเรื่องคำพูดนี้ก็สําคัญเจ้วินัยนี่การเรื่องของพยั ญ, ญชนะนี่ก็สําคัญมากนะก็ต้องดูถานาดิกระถาจบเรื่องของการให้คงจะสมควรเปเวลาขก่อยสั้นทั้งหลายได้ ศรัทธาภาษาธรในการที่เอื้อเฟื้อเพื่อที่จะรักษาพระวินยัยก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลใ่การที่จะปฏิบัติธรรมก็ขอให้งดงามด้วยอธิศีตงดงามด้วยอธิจิตแล้วต้งดงามด้วย อ, ธ, วงงวยอธิปัญญาสามารถที่จะอบรมไตรสิกขาให้ประชุมเรั่งครอมกันเพื่อบรรลุอริยามรรคมุมปแปลงจะได้ไม่ต้องกลับมาสู่วัตะทุกขนี้อีกขอให้เจริญในกุศลธรรมแล้วก็รุ่งเรืองในคุปตศาสนาจนกว่าจะไม่ต้องเปลียน่หวใจเกิดต่อไป อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ